หาสูงเนี่ยจะรู้สึกกลัวที่ ก, กลัวนี้ไม่ใช่กลัวพลัดตกลงไปข้างล่างนะแต่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะกระโจนลงไปมันก็แปลกนะคนเราเนี่ยก็มีธรรมชาติหรือสัญชาตญาณล็กตัวกลัวตายการที่มมีความคิดแบบนั้นขึ้นมานะความคิดว่าเนี่ยตัวเองจะกระโดดลงหน้าผาพอมีความคิดนี้ขึ้นมานี่มันก็กลัวเลยนะ เพราะว่ายัางไม่อยากตายจะทำไมมีความคิดอย่างนั้นขึ้นมานะเพราะมันมันก็มีเสียงนะมีเสียงเสียงยุกนะก็โดลงไปเลยก็โดลงไปเลยหลายคนเนี่ยเขาพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยกลัวขึ้นมาเลยเพรกลัว่าจะกระโดดลงไปจริงๆริไอ้เสียงยุแบบนี้นี่มันก็จะว่าไปมันก็ไม่ใช่เป็น สิ่งที่พิเศษหรือประหลาดอะไรนะเพราะในบางสถานการณ์เนี่ยเราก็จะพบมันมีเสียงยุที่แปลกๆยุให้ทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างเช่นบางคนเนี่ยเจอกระเป๋าเงินหรือว่ากระเป๋าเอกสารซช่งข้างในมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย มันจะมีเสียงยุนะว่าอย่าไปคืนเจ้าของหรือว่าอย่าไปแจ้งตำรวจเลยนะเก็บเอาไว้ที่ขวาคนที่มีเสียงยุแบบนี้เนี่ยก็ปกติก็เป็นคนที่ไม่ใช่ขโมยโจรอะไรนะก็เป็นคนที่ปกติธรรมดาแต่พอมีทรัพย์จำนวนมากนี่ อยู่ตอนหน้าแล้วก็ยิ่งไม่มีคนเห็นเนี่ยแม้ใจหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่จะไปคืนเจ้าของหรือว่าไปแจ้งตำรวจแต่มไม่มีเสียงยุบอันนี้เก็บไว้เป็นของตัวเองดีกว่านะเพราะยังไงก็ไม่มีใครรู้หรอกหรือบางคนอาาจะเจอ แหวนเพชรสร้อยทองที่มีคนลืมไว้ในห้องน้ำความคิดแรกนี้ก็อยากจะเอาไปคืนเจ้าของแต่ก็มีเสียงยุดนะว่าเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองดีกว่าอันนี้ไม่นับในทุกคนที่อาจจะดูแลและรับผิดชอบเรื่องการเงิน แล้วก็พอเห็นหรือบังเอิญเกิดเห็นช่องโว่ทั้งที่ไม่เคยทุจริตมาก่อนนะแต่ว่ามันก็จะมีเสียงยุ ว, ว่าเนี่ยเราเอาเงินเข้ามาดีกว่าไม่มีใครรู้หรอกยิ่งคนที่ร้อนเงินอยู่แล้วนี่เสียงยุนี่มันจะดังมากแล้วก็ดังระงมเลย มันก็เป็นเสียงเดียวกับหนะ้าที่ยุให้หลายคนเนี่ยไปเสพยาหรือว่าลองกินเหล้าทั้งที่ไม่เคยนะเสียงยุในหัวของนักเรียนวัยรุ่นมันจะดังอยู่ในหัวของหลายคนเลยลองเสพยาดูีิเอาหน่อยนะ แล้วก็จะมีเหตุผลนะมีข้ออ้างว่าครั้งเดียวเท่านั้นแหละไม่มีใครรู้หรอกอ่าหาประสบการณ์ดูจะได้รู้ไันไม่ดียังไงบ้างมันก็จะมีเสียงหวานล้อม น, ะนอกจากเสียงยุแล้วก็มีเหตุผลหวานล้อมบางคนที่มีคู่มีแฟนหรือมีคู่ครองแล้ว บางค้งก็จะมีเสียงยุนะน่าจะมีกิ๊กนะหรือลองนะนอกใจคู่รักสักครั้งหนึ่งั้งที่อาจจะไม่เคยมีประวัติในทางนี้นะแต่ว่าจูๆมันก็มีเสียงยุเสียงแจ่คนเราเนี่ยบังจากจ้าสังเกตดูมันจะมีเสียงยุทํานองนี้อยู่ ในบางครั้งบางคราวมันเป็นเสียงยุที่ทำให้เราอยากจะลองทำสิ่งที่ไม่ดีหรือผิดศีลจะเรียกว่ามันเป็นเสียงยุของเจ้าตัวร้ายไปได้นะในจิตใจของกุตุชนเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวร้ายเนี่ยที่มันคอยยุคอยแย่ yeah. อันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนที่ ติดเล่าหรือว่าติดการพนันแล้วนะอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เสียงยุแล้วล่ะนะมันเกิดความโลภมันกลายเป็นความเคยชินเป็นนิสัยไปแล้วแต่เสียงยุที่ว่าเนี่ยมันไม่จะเกิดคนที่ยังไม่เคยจะเรียกว่าคนที่เรียบร้อยไม่เคยทำสิ่งที่ไม่สมควรแต่ว่ามันก็จะมีเสียงยุเสียงแย่ลองทำดู ลหลายคนเนี่ยก็เผลอทําหรือว่าบางครั้งก็รู้สึกต้องต่อสู้กับไอ้เสียงยุเสียงแย่นี้บางทีมันก็ยุ่นะแย่ให้จ่วงจาบครูบาอาจารย์หรือว่ากล่าวคําจ่วงจาบพระรัตนตรัยบางคนที่บอกวเวลาไหว้พระสวดมนต์นี่กราวพระพุทธรูปเนี่ยจะมีเสียง นะเสียงยุเสียงแยนะ่ให้จ่วงจากนะพระพุทธธรรมประสงค์หบางทีงไม่ใช่แค่เสียงยุ่งมันเป็นเสียงด่ า, าจริงเลยเสียงจ่วงจากจริงๆรวมถึงยุให้ต่อว่าพ่อแม่ต่อว่าครูบาอาจารย์แล้วไม่มีเสียงประเภืว่า คอยเสียมนะคอยเสียมเนี่ยว่าแฟนเราเนี่ยมันจะนอกใจหรือเปล่านะดูท่าทางมีพิรุธทางที่เขาก็อาจจะไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะแต่มันมีเสียงที่เสียมนะว่าเขาเนี่ยนอกใจเราหรือเปล่าหรือนอกใจเราเราละมั่งหรือว่า เสียมว่าเนี่ยเพื่อรงงานเขากำลังหักหลังเราเขากำลังเลื่อยขาเก้าอี้เรามันช่วยให้เราคิดไปในทางลบทางร้ายที่ทําให้หวาดระแวงคนนั้นคนนี้และใครในถ้าเผลอเชื่อเสียงยุเสียงแย่หรือเสียงเสียมนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมา กับคู่ครองกับเพื่อนร่วมงานพอไปคิดจริงจัง่าเนี่ยเขานอกใจบ้างหรือว่าเขากำลังเลื้อยขาเก้าอีบางครั้งก็เป็นเสียงที่ทําให้เราเป็นทุกข์นะเพราะว่ามันชวนให้คิดลบคิดร้ายลูกหรือว่าคนรักเนี่ยกลับบ้านดึกหรือว่า ไม่กลับมาบ้านสักทีผิดเวลานัองก็จะคิดลบคิดลายหรือว่าขอไปเที่ยว ก, กิ๊กไหมหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เข้าโอ้โหมันก็เกิดความทุกข์เกิดความร้อนรุ่มขึ้นมาทั้งที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นนในใจิตใจของเราเนี่ยนะมันจะมีเสียงยุเสียงแย่หรือว่าเสียงที่คอยเสี่ยมนะให้เกิดความระแวงอยู่เป็นครั้งคราวหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆ อ, อันนี้เรียว่ามันเป็นผลงานของเจ้าตัวร้ายนะที่มันซุกซ่อนอยู่ในใจของเรา ซึ่งบางครั้งก็ทําให้เราเผลอทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดศีลทำถ้าเราหลงเชื่อมันหรือบางครั้งก็ฉุดให้ใจเราเนี่ยไปจมอยู่ความทุกข์เนี่ยเช่นเวลาคิดลบคิดลายนะวะ่าลูกเราเขามีเราคบ เ, เพื่อนไม่ดีหรือเปล่าเนี่ย กลับบ้านหรือเขาติดยาไหมหรือว่าว่าเราเขาไปสอบเนี่ยใส่สอบไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ทันรู้ผลเลยนะแต่ว่าพอคิดไปแล้วมันก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดทั้นนี้ว่ามันเป็นเสียงที่ฉุดให้เราเนี่ยอต่ำจมอยู่ในความทุกข์ หรือแม่ก็บางทีเป็นเสียงที่คอยซ้ำเติมนะความทุกข์ให้กับเราเช่นเวลาเราทำอะไรผิดพลาดทั้งที่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่มันก็จะมีเสียงดังอยู่ในหัวเนี่ยแย่มันแย่มากนะทำไมถึงทำอย่างนั้นกับเขา ทำไมถึงปล่อยปากละเลยทําไมไม่ใส่ใจบางทีเราก็รู้ว่าเราทําผิดนะอาจจะทำผิดทําไม่ดีกับพ่อแม่ขึ้นเสียงหรือว่าต่อว่าท่าน้ท่านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครืองอะไรแต่ก็มีเสียงซ้ําเติมเราแกมันแจ้แกเป็นลูกทรารพีรั่วกระตันยูอย่างนีนะ้ไม่มีวันเจริญนี คิดว่าทุกคนเนี่ยนะก็คงจะเจอเหตุการณ์ทํานองเนี้ยนะเพราะว่าในใจของเราเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันมีเจ้าตัวร้ายเนี่ยที่คอยอยุแย่คอยเสี่ยมคอยทำให้เราเขวคอยซ้ำเติมบยตีตัวเราหรือว่าคอยฉุดให้ใจเราเนี่ยจมอยู่ในความทุกข์ นีบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการกับไอเสียงเราที่ไม่ถูกต้องนะเช่นอ่ะคล้อยตามมันหรือบางทีก็พยายามต่อสู้กับมันต่อสู้อย่างไม่ถูกต้องนี่ก็ไปเกิดเป็นทุกข์นะเช่นคนที่มีเสียงกลด่าพ่อแม่อยู่ในหัวเสียงจ่วงจับพระรัตนตรัยเนี่ย เราพยายามที่จะกดขม่มพยายามที่จะปฏิเสธผักใส่ไม่ให้เสียงเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจะยิ่งห้ามนะมันก็เหมือนยิ่งยุกยิ่งผักใสมันก็ยิ่งต่อต้านแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็กลายเป็นเสียงที่ กล่าวหาโจมตีตัวเองว่าแกมันเลวไปจ่วงจับพระัตน่าตายได้ยังไงไปคิดอย่างนั้นกับครูบาอาจารย์ได้ยังไงไปคิดอย่างนั้นกับพ่อแม่ได้ยังไงหนักเข้าไปใหญ่เลยบางคนนี่ถึงกับคิดฆ่าตัวตายเลยนะว่าฉันเป็นคนเลวโดวยที่หารู้ไมว่วันมันเป็นเสียงของไอ้เจ้าตัวร้ายนะที่มันคอย สร้างความปั่นป่วนในจิตใจของเ ร, เราเราต้องรู้จักอุบายของเจ้าตัวร้ายแล้วก็รู้จักเท่าทันเสียงยุเสียงแย่เหล่านี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องซึ่งปกติเนี่ยมันก็มักจะเกิดขึ้นในยามที่เราหลงเวลาเราหลงไง เข้าไปในความคิดหรือว่าหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยมันก็จะมีเสียงพวกนี้โผล่ขึ้นมาทิ่มแทงเราหรือว่าชวนให้เราเควหรือว่าวานล้องให้เราทําไม่ดีแล้วบยตีซ้าเติมตัวเองและความหลงเนี่ยบ่อยครั้งก็เกิดขึ้นในยามที่มีการรับรู้ที่เราเรียกว่าผัสสะ ตาเห็นรูปหูได้ินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหรือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะกับเราเนี่ยแลเรารับรู้เหตุการณ์เหล่านั้นพอรับรู้แล้วเนี่ยนะหรือพอเกิดผัสสะ ข, ขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือเกิดการ ก, กระทบขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอารมณ์เกินความกลัวเกิดความอยากเมื่อเกิดความ ยินร้ายหรือแม้กระทั่งยินดีไอ้ตอนนั้นแหละนะที่ความหลงนี่มันจะเข้ามาแทรกและพอหลงนะความหลงเข้ามาแล้วนะไอ้เจ้าตัวลายนี่มันก็ได้ช่องเลยที่มันจะหาทางยุแย่เสียมนะหรือว่าก่อกวนสร้างความปนป่วนในจิตใจของเรา มันมีอำนาจเหนือเราก็เพราะเราปล่อยให้ความหลงมาครองใจและความหลงเนี่ยก็อย่างที่บอกนีมันมักจะเกิดขึ้นในยามที่เรารับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือแม้แต่ธรรมาลมาที่เรียกว่าเกิดการประทบหรือเกิดผัสสะขึ้นมาที่จริงเนี่ยเมื่อมีการกระทบหรือผัสสะเกิดขึ้นเนี่ย มนไม่เป็นเป็นว่าจะต้องเกิดอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจเกิดความยินดียินร้ายนะหรือว่าเกิดความหลงเราสามารถจะรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างมีสติสติมันสำคัญมากนะเวลาเกิดการกระทบขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจะให้ค่าให้ความสำคัญกับสติเท่าไหร่ พอไปรับรู้อะไรเนี่ยก็ปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาจากการกระทบนั้ น, เ, นเช่นดีใจเสียใจยินดีนร้ายพอใจไม่พอใจแล้วมันก็ตามมาด้วยความโกรธความกลัวความโลภถ้าตรงนี้ก็เปิดช่องให้ตัว เจ้าตัวร้ายหรือว่าเสียงยุ่เสียงใหญ่นี้เข้ามาซึ่งสุดท้ายก็นำมานำมาซึ่งความทุกข์พระาจารพุทธทานะท่านพูดเตือนสติได้ดีนะท่านบอกว่าความสุขหรือความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เรากระทําถูกหรือกระทําผิดต่อสิ่งที่เราผัสสะก็คือเมื่อมีการกระทบนะ นะตาเห็นรูปหูดินเสียงยถ้าเราทำผิดต่อผัสสะหรือทำไม่ถูกเนี่ยก็คือเราไม่มีสติก็ปล่อยให้อารมณ์เข้ามาคลองใจปล่อยให้ความหลงเกิดขึ้นแล้วก็เลยเปิดช่องให้ใหตัวร้ายหรือว่าเสียงยุยเสียงแยกเสียงเสี้ยมเนี่ยเข้ามาก่อความปั่นป่วนในจิตใจของเราหรือชักนาเราไปในทางที่ผิดหรือชุดเราไปใน ลงไปในความทุกข์ดำดิ่งไปเรื่อยๆเวลามีความทุกข์เนี่ยเรามักจะไปโทษสิ่งภายนอกนะว่ามันไม่ถูกต้องนะเช่นรถติดผิดเวลาเขาทำไม่ถูกก็พูดไม่ดีหรือว่าไอเสียง พูดคุยเสียงริงโทนมันดังผิดเวลาผิดที่ผิดกาละเทศะคนเราเวลาทุกข์ใจเนี่ยโกรธหงุดหงิดไม่พอใจเนี่ยก็มักจะไปโทษสิ่งภายนอกว่ามันไม่ถูกหรือไม่หรือไม่งั้นก็ไปเอาถูกเอาผิดกับสิ่งภายนอกเอาถูกเอาผิดกับอารมณ์ที่มากระทบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นเพราะเราทําไม่ถูกกับผัสสะหรือสิ่งที่มากระทบต่างหากความทุกข์ไม่ได้เกิดจากข้างนอกมันผิดนะแต่มันเกิดจากการที่เรากระทําผิดนะต่อผัสสะหรือว่าเราไม่มีสตินะเมื่อเกิดผัสสะหรือพูดงงงงคือเราไม่รู้จักรักษาใจให้มันถูกต้องนะ พอเราไม่รู้จักเราสาใจมาถูกต้องเราก็พอเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็ไปโทษสิ่งภายนอกว่ามันเป็นเพราะมันไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องทําไม่ถูกต้องนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สาใจให้ถูกต้องตัางหาหรือถ้าพูดให้มันชัดเจนไปแล้วก็คือเราไม่รู้จักมีสติเมื่อ มันเกิดการกระทบหรือเกิดผัสสะอย่างที่ท่านจากยพุทธาวาเนียความทุกข์ของของคนเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราปฏิบัติไม่ถูกต้องนะต่อผัสสะไม่ถูกต้องถ้าพูดให้ชัดเจนโลกประธรมก็คือไม่มีสติเมื่อเกิดผัสสะเมื่อตากระทบรูปหูดินเสียง ถ้าไม่มีสติมันก็เกิดความดีใจเสียใจเกิดความยินดียินร้ายเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดแล้วเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความทุกข์ทันทีหรือไม่ก็เกิดความทุกข์ตามมาเช่นพอเกิดความอยากได้ติดใจอยากได้ก็ไปลักขโมยเข้าหรือไปแย่งชิงเข้ามา หรือว่าโหยหาอะไรอยากได้อันนี้ก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าว่าเรามีสตินะอะ่มันก็จะไอความหลงหรือว่าถูกครอบงาด้วยอารมณ์นี่มันก็เกิดขึ้นได้ยากแต่พอเรามีสติพอรามีความสึกตัวนะอ้มันก็ไม่มีทางที่ตัวร้ายหรือว่า เสียงย่เสียงแย่นี่มันจะมารบกวนจิตใจเราได้หรือถึงแม้ว่ามันเราจะไม่มีสติทันนะอารมณ์จึงเกิดขึ้นเกิดความดนดีร้ายเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดติดใจขัดใจแต่ก็ยังไม่สายที่เราจะมีสติมีสติเห็นอารมณ์มีสติรู้ทันอารมณ์ ที่เกิดขึ้นหรือพอเพลไปแล้วหลงไปแล้วมันมีเสียงยุเสียงแย่ตามมาเรามีสตนะิก็ไม่ปล่อยใจให้คล้อยตามเสียงยุเสียงแย่มันจะหวานล้อมอยังไงใจเราก็ไม่หลงเชื่อนะมันจะยุ่ให้เราลอง เล่นยาเราก็ไม่ทำมันจะยุให้เราทุจริตนะเราก็ไม่ทำมันจะยุให้เราโดดลงหน้าผาเราก็ไม่สนใจมันจะยุให้ไปดูคลิปโป๊หรือว่าไปมีกิก๊กมันก็เป็นศัก์แต่ว่าเสียงยุที่ไม่มีความหมายต่อจิตใจของเราอันนี้พอมีสติรู้ทัน จนแม้กระทั่งมันมีเสียงด่าเสียงจ้วงจับพระตนตรายด่าครูบาอาจารย์เสียงตาหนิต่อว่าติเตียนพ่อแม่เราก็เห็นมันรู้ทันมันแต่ก่อนเนี่ยก็คิดแต่จะไปต่อสู้นะเอาชนะมันกดคมผักสายมันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พอเรามีสติเรารู้จักวิธี ที่จะดูมันเฉยๆนี่อย่างที่ครูบาจาเรียกว่ารู้ซื่อๆแล้วมันช่วยได้เยอะ น, นะคนที่เป็นทุกข์มากเพราะมันมีเสียงด่าพ่อแม่ตำหนิตีเยงครูบาจาหรือจวงจากพระตะนตรัยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรกับมันนะก็แค่รับรู้แล้วก็ไม่สนใจมันมันจะโวยมันจะวายมันจะบ่นยังไงมันจะ พูดยังไงเราก็ไม่สนใจที่ทำกันได้เพราะมีสตินะถ้ามีสตินี่มันอดไม่ได้ที่จะไปสู้ลบตบมือไอเสียงในหัวเหล่านั้นแล้วเลาคนก็พบว่าพอไม่สนใจมันนะแค่รับรู้แต่ไม่สนใจสุดท้ายเสียงก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปแล้วก็หายไปในที่สุดแต่ก่อนที่มันจะเบาลงไปมันก็จะหาทางยั่วยุนะ ทำยังไงก็ได้เพื่อให้เราหันไปสู้รบตกมือกับมันแต่พอเราไม่สนใจเพราะเรามีสติในส่วนก็ค่อยจางหายไปการรับรู้ธรรมอารมณ์นะมันก็เป็นผัสสะชนิดหนึ่งนะนะการกระทบเนี่ยมันไม่ได้กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่มันมีการกระทบทางใจเมื่อใจไปรับรู้ความคิดละอารมณ์แต่ถ้ามีสติ ในการรับรู้หรือเมื่อเกิดผัสสะที่ว่านให้ตัวร้ายหรือเสียงยู่เสียงแย่มันก็ไม่สามารถจะมีอิทธิพลนะต่อจิตใจของเราได้อันนี้เป็นวิธีที่จะทําให้ไอ้เจ้าตัวร้ายที่มันคอยกอ่อกวนปั่นป่วนชวนให้เราทําชั่วหรือว่าฉุดให้เราอยู่ในความทุกข์หรือคอยโบยตีซ้ําเติมเรา มันค่อยๆหมดพิษสงลงไปอันนี้ก็ถือว่านะเป็นเพราะเรารู้จักนะปฏิบัติถูกต้องนะต่อสิ่งที่เรียกผัสสะอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาส พ, พูดต้องฝึกเอาไวนะ้นะต้องเห็นความสําคัญนะว่าเมื่อเกิดผัสสะนี่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องไนดะ้อย่างไรและการปฏิบัติถูกต้องเนี่ยที่เป็นพื้นฐานสําคัญก็คือการมีสติเมื่อเกิดผัสสะมีสติเมื่อเกิดการกระทบต่อไปเมื่อเกิดเหตุร้ายนะ ไม่ว่าจะเป็นเสื่อมราบเสื่อมยศนะมันก็ทําให้ใจเป็นทุกข์ไม่ได้อย่างที่เราสวดนะในมงคลสวดเนี่ยตอนสุดท้ายกระบอกเนี่ยเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วหรือกระทบแล้วเนี่ยจิตไม่วันไหวไม่เศร้าโศกไม่มีทุลีกินเลเนยอันเนี่เป็นมงคลสูงสุดนะซึ่งเราเริ่มต้นได้นะด้วยการมีสติเมื่อเกิดผัสสะหรือมีสติเมื่อเกิดการกระทบ